أعوذ بالله من الشيطان الرجيم س م الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عقبة للمتقين ولا ع د و ا ن إلا على الظالمين ص ل و ا وسلموا على شرف الأولين والأخرين ن ب ي ن ا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأيت آيات ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบห้าถึงห้าสิบหกนะครับโดยมีในความเกี่ยวกับลักษณะผู้ปฏิเสธศัทธาที่เราได้เปรียบเทียบและอุ ป, ปมาเขาเหมือนเดราฉานที่เลวที่สุดเดราาัฉานถูกยกมาเป็นอุทาหรณ ในเรื่องความไร้สติคือชีวิตที่มันไม่มีสติและสิ่งที่มันไม่มีสติมักจะนำมาซึ่งอัยนะอย่างง่ายดายง่ายๆเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานะนะั่นไะมันไม่ได้ป้องกันตัวเอง ในภัยต่างๆประสบนะเคยเจอคลิปคลิปหนึ่งกวางสองตัวตัวผู้นะกาลังแย่งตัวเมียซึ่งกําลังชนกันนะกวางมีมีเขาก็กําลังชนกันกวางกําลังชนกันกาลังแย่งตัวเมียแต่ตัวเมียนี่กําลังเฝ้าเฝ้าดูอยู่แล้วก็มี สิงโต ส, งสิงโตวิ่งมามมี้แทนที่จะเตือนแทนที่จะเตือนมันหรือไอ้สองตัวเนี่ยตัวผู้นี่แถนที่จะระมัดระวังอะนะเพราะชีวิตของของกวางนี่เป็นที่รู้กันในป่านี่มันมัน ม, ม, นมีมันมีภัยเรื่องนี้ตลอดแทนที่จะระวังระวังหน่อยเนะไม่คือความความกรูดของมันอนะ ความโลภของมันในที่จะแย่งตัวเมียนั้นมันมันบอดไม่เห็นเลยชนอย่างเดียวไอ้นี่มันมาไอ้นี่มันมาแล้วก็เพี้ยเพี้ยคือมันมันค้านแบบว่ามาแบบช้าๆนะแล้วก็ไอ้กวางสองตัวนี้มันก็ชนแล้วสังเกตนึกภาพเวลาเวลาไอ้ววกสัตว์นี้เวลามันชนมันก็หมุนน่ะมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะเห็นน่ะนะแต่ด้วยความโกรธและความโลภ ที่จะแย่งตัวเมียนะเนี่ยความไร้สติ ส, สติที่มันควบคุมกิเลสควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะนะมันก็จะนำมาซนะึ่งใหนะคอย่างไรนะแล้วก็ตัวเมียก็แทนที่จะเตือนเผาเดียวกันนะนะ <laughs> จะหมาเดียวกันนะ่นะไะมันนี่วิ่งเลย <laughs> ตัวมีก็วิ่งวิ่งอุตลุดเลยแล้วก็ไปไปสองสองสองตัวนี้ก็สิ่งตัวก็เข้ามาแต่ครบตัวหนึ่งเรียบร้อยอันนี้อันนี้ตัวอย่างของที่กําลังอธิบายว่าลัทธิสุภนวตาได้ยกอุทาหรณ์หนึ่งเดรัชานที่เร็วที่สุดที่เทียบับพวกเนรคุณพกพวกพวกผู้ปฏิสิทธิศรัทธาก็คือคนที่เขไม่ได้ไม่ได้ใช้สติในการที่จะ ค้นหาความจริงที่จะรับรู้ความจริงที่จะรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงไม่มีโอกาสคนที่ไร้สติไม่มีโอกาสที่หัวใจของเขาจะบรรลุสิ่งที่ดีงามเราจึงบอกว่าฟะฮุ่มลายุมีนูนดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธา สรุปแล้วนี่ความศรัทธานี่มันคือสุดยอดของของสถานภาพที่มนุษย์จะได้จากสติสตินี่ทำอะไรทาอะไรก็ตางประดิษฐ์มือถืออ ะ, อะไรของสุดยอดอะไรที่ที่มันสุดยอดของของอของเทคโนโลยี ที่มันเป็นผลงานของสตินะแต่ถ้าไม่ศรัทธาก็ถือว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดหมายที่สำคัญที่สุดผลที่อัมร้องต้องการให้เราได้ประสบจากสติปัญญาอันนี้้าพูดถึงเรื่องคนที่ศรัทธาแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาในอุปมาหรือแม้ก็่ทั้งคนที่ศรัทธาด้วยกัน ระดับความศรัทธาถ้าสติปัญญาของเราไม่ได้ใช้ในการที่จะพัฒนาอิมานพัฒนาความศรัทธาเนี่ยและประพฤติปฏิบัติเยี่ยงเดรัฉานในสิ่งที่ในสิ่งที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเดรัชานนะเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเรื่องกินเรื่องสมสู่เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเยี่ยงเดรัฉาน และตกต่ำต่าช้าในเรื่องความศรัทธาก็แสดงว่าถึงแม้ว่าเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันได้เป็นมุสลิมเป็นมุสมินนะนะก็ถือว่าสติปัญญาไม่เอือ้อไม่เอื้อที่จะให้บรรลุจุดหมายที่เราสุภานาหัวตานัให้สติปัญญาเกบดราลุไว้มีมีไว้ทำไมมีสติปัญญาไว้ทาไมมีไว้ทำมาหากินมีไว้ไวทำธุรกิจ มีมีไวไวพัฒนาชีวิตให้มีความสบายมากขึ้นและความศรัทธาสุดลงอู้สัธานิทหากว่าได้บรร ล, ลุเป้าหมายอะไรที่มันสอดคล้องกับความต้องการด้านกิเลสด้านความโลภของของขอ ง, ของตัวเองนะถ้ามีสติปัญญาเนี่ยเขาจะต้องหันมาพัฒนาอิมันมากขึ้นหมายถึงว่า ยกตัวอย่างทำมาหากินทาธุรกิจดีขึ้นรายได้ดีขึ้นเออก็น่า จ, จะมีหม م านมากขึ้นมีมีความสรัทธามากขึ้นแต่ไม่ชีวอกว่าพอพอรายได้มากขึ้นนี่ก็ إ ม م สุดลงตอนที่อยากจนตอนที่ไม่มีรายได้ละหมาดคร่งครัด อีมานนี่เป็นที่พึ่งละหมาดเคร่งครัดอีมานเคร่งครัดแต่พอเริ่มมีตังแล้วมีรายได้แล้วทิ้งละหมาดนะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นข้อหาว่าข้อหาว่าอีตอนละหมาดนนัละหมาดเพื่อพระเจ้าหรือละหมาดเพื่อปลอบใจเหมือนผู้หญิงผู้หญิงที่คุมหิจาคุมหน้า ทำไมไม่มีตังซื้อเครื่องสมอางไม่มีตังซื้อเสื้อผ้ารูๆพอมีแล้วเอาใหญ่ละพอมีเลยแล้วนะพอ Allah ให้แล้ว่นะเอาอย่างเลยก็แสดงว่าอีตอนอีตอนคุมยามอีตอนคุมหน้าเนี่ยตัวเองไม่ ไ, มได้ทําเพื่อ Allah ทำเพราะไม่มีนี่ว่า ไว้เขาพะไม่มีตังซื้อตังไกอ่ะมีไ ม, ม่มีตังไปร้านตัดผมทรงทาทรงเกาหลีอะไรเี้อะไรประมาณนี้พอมีตังแล้วนี่โอ้ยทำเอาเอายี่ยงอย่า ง, างของคนที่มี <c oughs> ม, ม, มีมีอารมณ์กิเลสกิเลสที่ไม่ไม่น่าจะเป็น เปรอยกององอุสตานัน้นอุทาหรษ์ที่อัลลุฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل เปรียบเทียบกับเดรัจฉานเนี่ยในเรื่องความไร้สติเดรัจฉานเนี่ยมันไม่มีสติที่จะคิดสติปัญญาอัน้คิดสติปัญญาเนี่ยโอ้ควบคุมกิเลสถ้าสิ่งที่อุปมาสิ่งที่เปรียบเทียบเนี่ยคือ คือสติปัญญานี่ก็แสดงว่าการเปรียบเทียบนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเดรัจฉานกับผู้ปฏิสตานะกับมนุษย์ที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาในการที่จะนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามที่อัลลอสุบฮานาอูวาตาลาสั่งใจสติปัญญาแย่แค่ไหนในการที่จะบรรลุเป้าหมายตรงนั้นนะ ใช้สติ ป, ปัญญาไม่เป็นในการที่จะเข้าใจหลักการศาสนาเรียนรู้หลักการศาสนาแย่ yeah, แค่ไหนตรงนั้นน่ะแสดงว่าเรามีความเหมือนกับเดรัจฉานเท่านั้นนุช<ม>ทํามากนไม่สนใจใครอ่อนแอใครน่าสงสารก็เหมือนเหมือนปลาเถื่อนไงเพราะเดรัจฉามันเป็นอย่างนั้น ไอเสือนี่มันมันสงสารเหีื่มันวะโอ้ยน่าสงสารกว้างมันเคยสงสารไสัตว์อ่อนแอมันเคยมาหนีวมาไหลแล้วก็มันจัดการแล้วในราฉาเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีไม่มีปัญญาในการที่จะแยกแยะนะว่าเนื้อเป็นเนื้อเหยื่อหรือเป็นหรือเป็นเนื้อที่น้องมันเนื้อลูก ถ้าหิวจริงอะนันก็กินลูกก็มีเดรชานั้นะมนุษย์ทำไม่ได้แต่ถ้ามนุษย์ทําได้อะถ้ามนุษย์ทําได้อะนี่เมนุษย์กินลูกตัวเองอะก็อาจจะไม่ได้กินจริง่ะนะไม่ได้เอาลูกมามาทําเป็นผัดกระเผาอะนะแต่ให้ลูกขายตัวแล้วก็หากินกับลูกมีไหม มีมั้งเนี่ยมีในสังคมมนุษย์เนี่ยมีก็ไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานคนประเภทเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานที่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นลูกเพราะสติปัญญานี้ไม่สามารถควบคุมกิเลสของตัวเองได้ฉะแสดงละบอกว่าผล้ที่กะฏุม่เชื่นแท้จริงสัตว์โลกที่ชั่วร้ายยิ่งนะอัลลอฮ์นั้น คือบรรดาผู้ที่เนรคุณอัลงที่เนรคุณทั้งที่เนรคุณผู้ที่เนรคุณฟะหุมลายุมนุษย์ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธาหมายถึงว่าการที่เขาไม่ศรัทธาเนื่องจากว่าเขาเนรคุณและที่เขาเนรคุณเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเหมือนเดรัฉานก็คือไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีสติไม่ใช่สติมนุษย์มีสติแต่แต่มีแบบไม่ใช่ มีสติไม่ใช้จะนํามาซึ่งกนันเนรคุณเนรคุณก็จะนํามาซึ่งกันไร้ศรัทธาถ้าศรัทธาเนี่ยมันก็มีหลายระดับพวกเราก็ต้องดูวความยิ่งย่างความยิ่งอย่างกับกับเดนาจฉานนี่มันก็จะทําให้เราตกต่ำในเรื่อ ง, ใ น, องในเรื่องความศรัทธาในเรื่องความศรัทธาเท่ากับ เท่ากับส่วนที่เราไม่ดีใช้ในสติปัญญาของเราแล้วสุดท้ายเราจะไ้าจาะจงพฤติกรรมของพวกนิรุคพวกไร้ศรัทธาเนี่ยอันเป็นอัตลักษณ์ที่น่าประนามหิ่งคือการที่ไม่ได้รักษาสัญญาซึ่งเทียบแล้วกับพวกนิรชาญก็เป็นแบบนั้น ในราชานี่เขาไ ม, ไม่รู้กันหรอกเรื่องสัญญาเสือสองตัวนี่ไปไปตะคุบเหยื่อตัวหนึ่งแล้วกีกตัวหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะไปปัสสาวะหน่อยอย่าเพิ่งกินนะเดีมาเกินนะเอา้าเดี๋ยรับปากไม่กินเดี๋ยวรอมาเดี๋ฉันรอสัญญาการรักษาสัญญาเราาื่องใดๆขอให้เผลอนิดหนึ่งขอให ไอสัตว์ด้วยกันนะเผเดียวกันนะะที่มันเผยเนี่ยขอให้มันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องด้วยกันแท้ๆนะะให้มันเผอนั่นเงมันอาจจะเอาเหยื่อไปกินเองก็ได้ไม่ไม่มีสัญญากลเหมือนกันนะ Allah น่าหะุนซึมยังกุดดูน่าด้วนฟีคุลลมริวะลายตุดผู้รักุนกุดมดิสตตานเนี่ยคือบรรดาผู้ที่เจ้าได้ทำสัญญาไว้ในหมู่พวกเขา อุลามาบางท่านบอกว่าหมายถึงว่าพวกบอนูโกเรซพวกเพราะอย่างที่บอกว่าอายะก่อนหน้านี้เกี่ยวกับพวกพวกยิวพวกบอนูโกเรโซที่เขาตามสัญญาสันติภาพกับนบีตอนเข้ามาดีนะแต่หลังจากนั้นนะเขาก็หักหลังท่านนาบีไปร่วมกับพวกกุเรชได้มาบุกบุกมาดีนะแต่อุลามาหลายท่านเขาบอกว่าไม่อายะเนี่ยหมายรวม ผู้ปฏิเสธาทั่วไปที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบรรด์โอไรซ์คือบรรดาผู้ที่เจ้าได้ทําสัญญาไว้ในหมูพวกเขาซึ่งหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่นบีอยู่ที่มาดินาเนี่ก็มีประพฤติที่ไม่ได้รักษาสัญญากับท่านนาบีนี่ก็มีหลายหลายกลุ่มมีพวกยิวมีพวกมุนาฟิกก็มีหลายกลุ่มอัลลอฮ์ก็ประนามกลุ่มเหล่านี้ทั้งทั้งหมดเลย แล้วพวกเขาก็ทำลายสัญญาของพวกเขาในทุกครั้งอัลลอีาวัดมินฮมทุมยังคดูนาหดะฮฟีคุลล์รรติวะลาะมลายตอัลลอฮถือว่าสัญญาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเจ้าของพวกเขาก็ทำลายสัญญาของพวกเขาที่จริงในสัญญานะี่ทุกสัญญาะ มันต้องมีกี่ฝ่ายมันต้องมีสองฝ่ายโ ด, โดยสภาพของสัญญาเนี่เจ้าของสัญญานี่คือมีอะไรก็คู่สัญญาใช่ไหมคู่สัญญาสองฝ่ายนี่เป็นเจ้าของใช่ป่ะแต่ที่คนที่บิดผิวนะคนที่บิดผิวเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าสัญญาของเขาจริงๆก็เป็นสัญญาของนบีใช่แต่คนที่รักษาสัญญาเนี่ย คนที่รักษาสัญญาเนี่ยไม่ถือว่าได้ทำลายสัญญาจึงไม่ไม่ถูกตำหนิว่าเขาได้ทำลายอะไรของเขาแต่สิ่งที่น่าตาหนิยิ่งถ้าเป็นอะไรของตัวเองแล้วก็ทำลายอะไรของตัวเองอันนั้นน่าตำหนิตัวสัญญาของพวกเจ้าเองของพวกเขาเองอ่ะแล้วเขาดันมาทำลายอ่ะน่าประนามไมหมละ่ะ الذين عهدت منهم ثم ينقضون عندهم في كل مرة أو هم لا يتدفن ديتوقه ا ك ر ي ل و ه ماي أيان ี้ كا يعنى تبى ك و ا ل م م ك و ل ماي تبى كا يعنى تبى كا يعنى ب ى كا يعنى تبى كا يعنى تبى كا يعنى تبى كا يعنى تبى كا ل ل ه ى تبى كا يعنى ت ك يعنى ت ب ا ي ن ى تبى ا يعنى تبى ا ي ع ن ب ى ا ي ع ن تبى كا ي ع ن تبى كا ي تبى ك ي ع ن ت كا ي ع ن ب ى ي ع ن كا ي ن ب ي ى ع ي ا ن ا กลุงที่บิดพิวเรื่องสัญญาแต่เขาไม่ไม่จะเป็นว่าจะเป็นกาเฟตนะอาจจะเป็นมุสลิมก็ได้หรืออาจจะเป็นมุนาฟิกด้วยบุคคลของมุสลิมท่านบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลมอายตุลมุนาฟิกทั้สัญญาลักสัญญาลักสัญญาัดเจ เห็นแล้วเนี่ยรู้แล้วเดี๋มุนาฟิกไมบีบอกว่าใครมีสามสามเรื่องเนี้ยบางรายงานบอกว่ามีสี่เรื่องนะใครมีสามสี่เรื่องเนี้ยก็เป็นมุนาฟิต ล, ล, ล้วนๆการมูน่าฟิกนข้าหรือซันดิฟและใครมีซนิยานเดียวซนิยานอื่นไม่มีเนียการที่ฟีขั้ศลตุนมินันฟ ك ือ ُّوَمَنْ أَحْدَثَ كَذَلِكَ و إ ذ ا و ع َ د أ خ ل <سؤال> ف و إ ذ َ ا ت و م ن َ خ ا ل ٌ م ا فُوْلَى و َ ك و ه و إ ذ ا و ع َ س ن ي َ ا أ خ ل ف س ن ي َ ا ل َ و ب ب ي ر ِ ب ِ س ن ي َ و إ ذ َ ا ت و م ن َ خ ا ن ถ้าได้ฝากอนาจไว้ก็จะไม่รักษาอำนาไม่รักษาคงฝากบางสนจะว่าาอาเหรอาเหตันนีสัญญามือนกันวดลกอเความหมกยเขียนกันวดสญารบปอาเอมันก็คือสัญญามือนกัน สัมโนว่า إذا อาหะดะหัตรเมื่อสัญญาเกิดบิดเบี้ยวอีกสัมโนนีนึ่พระฤาษีนี่อีกสัมโนนี่คือสัญญาที่ซีดแลาข้าศัตรแล้วถ้ากรธแล้วจะเลยเถิดถ้ากรธเลยเถิดเลยจเรียนว่า ไม่รักษานำจิตนำใจไม่รักษาการที่เคยเป็นเพื่อนกันเคยสนิทสนมกันเคยแบบทะเลาะกันแบบไม่มีไม่มีปรานีเลยคันนี้ลักษณะของพวกมนาฟิมมีสุภาษิตอาหรับว่า บางรายงานบอกว่าเป็นคาพูดของอิมามชาฟีนะอ๋ออิมามชาฟีอว่าอัลฮุรมันรอใหวิดาดะละคนคนที่มีเกียรติอัลฮุรตรงนี้ถ้าแปลตรงคนีก็หมายถึงว่าคนที่มีอิสระนี่คนที่ไม่ได้เป็นทาสอัลฮุรคือใน จินตนาการต่อไปนั่นหคนที่สก่อนนูน้นน่ยคนที่เป็นทาตน่ยเขาจะทําอะไรก็ได้จะได้หลุดพ้นจากความเป็นทาตนะเขาจะโกหกจะผิดพิ้วจะทําอะไรก็ได้คือจะได้พ้นจากความเป็นทาตแล้วก็ไม่มีใครจะตำหนิทําไ ม, มเาขาเป็นธาตุเขาเป็นทาตุเขาอยากจะหลุดพ้นจากสภาพสภาพมันมันไม่ดีงามเขาจะทําอะไรก็ได้ แต่ไอ้คนนี้ไม่ได้เป็นทาสทำอะไรที่มันน่าเกลียดไม่ได้เองนี่เป็นทาสไม่ได้มีไม่ไมีข้อกดดันอะไรท่มามชบีก็เลยบอกว่าฮุรุคนนี้คนที่แบเป็นเป็นไทยอิสระก็แแต่เราตรงนี้เนี่ยจะแปลดีกว่าคนที่มีเกียดคนที่มีศักเสียมันร้ว่ คนที่รักษาความสนิทสนุมคนที่กตัญญูต่อความสนิทสนุมแม้แต่วินาทีเดียวเคยสนิทกันวินาทีเนี่ยก็ยังยังรักษาไว้บ้างไม่คือไม่ลืมไม่ลืมบุญไม่ลืมคุณแต่คนที่ลืมบุญคุณแล้วก็ เลยเถิดในการโกรธกริ้วในการทะเลาะเบาแว้งนะนั่นนะเป็นลักษณะของบุคคลอิศะขอสมาฟะจรลักษณะของบุคคลแต่ในธทํานองของอายะเนี่ยอัลลพฺูทรงจะมาใยญ่ยสมัยท่านนบีซลลัลลอฮฺมุฮัมมวะสัลลมซึ่งท่านนบี จามาของท่านนาดวีนี่เป็นจามาที่เรกว่าเหมือ น, น, นรัฐรัฐประเทศนบีมาตั้งรัฐรัฐใหม่ที่มาดีนะรัฐเนี่ยมีกฎมีหลักการซึ่งมันไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนที่อยู่ ร, บรอบๆรัฐใหม่เนี่ย น บ, บีไม่ให้บูช า, ชาเจวิซึ่งเรื่องบูช า, ชาเจวินี่เป็นธุนนนนนรกิจวงจรธุรกิจเปนปัจจุบันเป็นวงจรวงจรใหญ่ด้วยเน ะ, มะเนมไม่ใช่ ว, วงจรธรรมดาวงจรธุรกิจเกิดรักไม่เอ า, จาเจวท ผลประโยชน์หายไปไหมแล้วก็มาลังเชิญชวนให้คนเนี่ยไม่ต้องบู ช, ชาเจวิตเอาแล้วก็ที่ที่ทำไว้เนี่ยจะไปขายใครอะ่ะแม่ผลประโยชน์หายไปหายไปไมัยมัน ม, ม, ม, ม, มีมีเรื่องเสียผลประโยชน์ทั้งทั้งที่เหตุผลของกลุ่มใหม่ที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเขามีเหตุผลด้านศีลธรรมอุดมการณ์ของเขา เขาไม่มีจุดหมายที่จะทำลายรายได้แต่เขามีจุดหมายที่จะรักษาเกียรตของมนุษย์ฉะนั้นมันมันจะเป็นข้ออ้างไม่ได้นะคนขายยาปากซอยเราก็ไม่ยุ่งกับเขาเราไม่ยุ่งกับเขาแต่เราไปดูแลเยวาวชนบอกว่าเฮ้ยอย่าติ อยไปยุ่งกับสิ่งอบอายมุกไอคนที่ขายาเป็นไรเขื่อง เ, อ <c oughs> เราไม่ได้ยุ่งกับ <c oughs> ไมไ่ยุ่งกับตัวเองไม่ยุ่งได้ไงอะก็ลูกค้ากลัวแม้เขาต้องคิดแบบเนี้ยนีไม่พน้นนะสีลธรรมของท่านเนี่ยจะต้องทําให้คนไร้ศีลธรรมเนี่ยเสียผลประโยชน์สักกิยาก บางทีมานั่งคิดนะละหมาดกันสบายๆบรรยญญายบังบรรยายสบายๆถ้าออกดาวะสบายๆออกดาวะสบายๆ ม, มีใครห้ามเลยทำไมธุรกิจอบายมุกเนี่ยไม่เสียหายบางทีมานั่งคิดจริงนะธุรกิจอบายมุกอะที่ไหนนี่ก็ยังยังมั่นคงอยู่นะ จะดีแค่ไหนนี้จะดีไปทำไมยิ่งกับธุรกิจของกูแต่ once ครั้งไปดาวะจนไม่มีคนเข้าบอนคาซิโนลจะเถื่อนไม่เถียนก็ตามนะไม่มีคนเข้าบอนไม่มีคนเข้าคาราโอเกะไม่มีคนซื้อเหล้าไม่มีคนสุบูรีนะเขาจะไม่ให้เราละหมาดไม่ให้เราดาวะไม่ให้เราเผยแพร่ศิลธรรมแลวคอยดู แล้วคอยดูมันก็สะท้อนถึงความไม่มีไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการทำงานของเราการทำงานดาว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพาลูกค้าสอนดับเซียนกี่คนอันนี้แบบ แบบเปิดเผยแบบอิสระที่เขาไม่ห้ามไม่อะไรแล้วของห้า ม, มาอย่างบ่อนนี่ขนาดห้ามนะดูดีเขาเข้ากั น, นจนควิตเนรานิรา น, นาถเลยน ะ, ะลูกค้าเรากับลูกค้าเข า, าเอ่ะใช่มมันแปลกอะ่ะแต่ดาวะของท่านนบีมันประสบความสำเร็จไงท่านอบีมาตั้งรัฐแล้ว อิทธิพลของศิลธรรมนบีเนี่ยมันคือเป็นแม่เหล็กอะดึงคนเลิกละดอกเบี้ยไม่เอาส่วนเพนีไม่เอาเหล้าไม่เอาการพนันไม่เอาอะไรจะเหลือพวกนี้มันจะมีอะไรเหลือล่ะธุรกิจอบายมุกเหล่านี้อะไรจะเหลือล่ะไม่เหลือพวกนี้ก็จะ เริ่มหันมาบิดพลิวสัญญ า, า, า, าที่สัญญาว่าจะไม่ไม่รบกันม่อไม่เเสียผประโยชน์แล้วไงเราต้องเราต้องจัดการเจ้าแล้วซม่งไม่กุดูนาจดิมฟี่คุณมรและแปลกนะที่แสดงความบิดพลิวกับทาบ่านบีมากที่สุดวู่วกี่ยเพราะอะไรเพราะเป็น เจ้ามือธุรกิจอบายมุรายใหไตนเื่องสมัยนเจ้ามือดเบียรายหญ่ที่สุดครับสมุทรคยิ่งเราเบี้ยทุกชนิดเลยนะเบียทุกชนิดเลยแล้วยอมที่จะทาธุรกิจ ทำธุรกิจที่มันลถเกียรติลถเกียรติมนุษย์ทําให้มนุษย์ทะเลาะบแวงทําให้มนุษย์ทําให้มนุษย์ดูถูกมนุษย์ดีกันเส้นธุรกิจ s o ว v e n i ค้าอาวุธค้าเหล้า สิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นธุรกิจที่มันลดเกียรติลดเกียรติก็จะเป็นพวกยิวนีแหละที่บิดเิ้วกับท่านนบิสะละลอเลวซาลัมทุก้ซมแอบูตวห้าเดากุลลมรตินทุกรังทุกครั้งวะฮุลาอิตกูโดยที่พวกเขาไม่เกรงกลัวหาเกรงกลัวไม่ไม่เกรงกลัว เป็นการปูพื้นฐานว่าถ้าคนที่ไม่มีสติปัญญาคนที่เนรคุณคนที่ไม่ศรัทธาเขาจะมีสัญญาบิดพิวแบบนี้นะ่ะผู้ศรัทธาไม่ควรเป็นแบบนั้นผู้สรทาไม่คนรที่จะบิดผิวไม่ควรที่จะไม่รักษาสัญญาไม่ควรที่จะผิดสัญญาหักหลังผู้อื่นผู้ศรัทธาไม่ทำแบบ ต้รักาถ้านบีบอกว่าส no ัญญาณของมวลสัญญาลักษ์ของมุนวิญญาณ3สัญญาณของผู้ส <ocalypse> <iverso> <uana> ืาเนี่ยต้องเป็นสิ่งตรงข้ามมุนาวิญญาณาพัดเด็ะบพูดแล้วเนี่ยต้องโกหกผู้สืาเนี่ยพูดแล้วต้องพูดจริงมุนา์วิญเนี่ยถ้าว่าจะอัคลักสัญญาลักษณผิดสัญญาผู้สือสาเนี่ยสัญญาล่ะต้องรักษาทุกเรื่องนะรักษาสัญญาทุกเรื่องนะ เจอกันสี่โมงต้องเป๊ะฮะอย่าหลวมสี่โมงมันมาถึงว่าสีทุ่มโฮโฮสี่โมงถึงสี่ทุ่มนี่มันมันหกชั่วโมงนะอ่าเดี๋ยวเจอกันหลังอิชาที่่เที่ยงคืนมาอะไรแบบนี้เครเจอมะม อันนี้ผมเจอบ่อยเฮ้ยเจอหลังอิชาละมาที่เช้าก็รอที่ไหนแล้วอ่ะอันนี้นกำลังมากลังมาอยู่กำลังมาอยู่นูน่นอ่ะหทุ่มงยามกำลังอิชาไกกลังอิชา ก, ก, ชากจริ ง, งเขาจริงขงเขาก็ควร สัญญาทุกสัญญานะัไม่ใชสัญญาที่บอกว่าสัญญาที่มาทํำกระสากราแล้วก็ต้องใช้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แม่ก็นั่งคำพูดรับปากกา็เรามีเรามีคําที่ชื่นชมคนอื่นเนาะเขาบอกว่าคําพูดเขาเนี่ยเป็นทองเป็นเพชรพูดอะไรแล้วเนี่ยลั่นวาจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น นั่นแะผู้ศราต้องเป็นแบบนั้นอย่าหลวมแต่จะปล่อยพวกนี้พวกที่บิดผิวเนี่ยปล่อยให้มันเร่ร่อนบอลทำลายก่อความเสียหายบนผืนแผ่นดินไม่ได้จะต้องปราบปรามในการที่จะรับปาก กับทนนบีทำสัญญกับท่านนบีอลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมยู่ร่วมกันี่บอกว่านบีไม่ไม่ใช่แค่คาพูดมันเป็นสัญญาอ่า G2G เข้าใจม G2G เคยทางานกับปยุทธ์ G2GGovernment to Government รัฐต่อรัฐสัญญา รัฐของนบรีรัฐของยิจีทูจีรัฐบาลต่อรัฐบาลไม่ใช่เรื่องไงอะเราร่วมกันคือตายก็ตายด้วยกันเป็นก็เป็นด้วยกันรอดก็รอดด้วยกันเรามาปกป้องเมืองมาดีน่าของเราถ้ามีศัตรูมุ่งมาทำลายมุสลิมอย่างเดียวเนะี่ยยูต้องมาช่วยมีศัตรูมุ่งมาทำลายยูอย่างเดียวเนะี่ยมุสลิมเนี่ยยกทัพช่วยขนาดนั้นน่ะ นบีรักษาสัญญาย่งดีแต่ยูเนี่ยทุกเผาเลยนะบิดพิ้วทัดไม่มีใครรักษาแม้แต่เผ่าเดียวสันดานของเขาอัลลกว่าปล่อยไม่ได้นะฟ้อิมาทัศควันนุมฟิลฮ์รบฟชัรดบิมมันขลุลลลกม์มิลทัรุ่ไม่ได้คนบิดพิ้วไม่ใช่เรื่องสัญญาเพราะการบิดพิ้วสัญญาเนี่ยมันสืบเนื่องจาก ความมีเอี่งอย่างกับเดรัชานไม่ศรัทธาเนรคุณไม่เกรงกลัวนี่ทั้งหมดที่ก่อนห น, น้านี้ทั้งหมดปล่อยไม่ได้เพราะถ้ปล่อยมนะันโอ้โหนี่ความเสียหายเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแพร่ยิ่งกว่าโควิดยิ่งกว่าโรคระบาดเรื่องเนรคุณเรื่องเบียมุกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สืบเนื่องจากเรื่องที่เขาผิดสัญญากับท่านนาเบียงเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ ไปมาทศกวัฒ น, น์นะฮะถ้าหากเจ้าจับพวกเขาไว้ได้ในการรบเมื่อเมื่อรบกันแล้วจับได้นะก็จงขับไล่ผู้ที่อยู่ข้างหลังพวกเขาคืออย่างนี้จะอธิบายที่ไปที่มาของการแปลงเพราะมัน เพราะมันมีอนิดหนึ่งถ้าหากเจ้าจับพวกเขาเนี่ยเตกนเนอุมถ้าหากเจ้าจับพวกเขาในสงคนิกายรบฮาร์รบเฟชริบิหิมขับไล่ชาริดขับไล่ มั่นคงฟะฮุมผู้ที่อยู่ข้างหลังพวกเขาจบแล้วอันนี้หละด้วยการลงโทษพวกเขาอยู่ไหนอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นอธิบายไม่มีแล้วละละฮุมยะจักการู่นเพื่อพวกเขาจะได้สำน็ก เขาก็เลยบกกว่าให้เป็นอีเยี่ยงอย่างเนี่ยระหว่างสองวงเล็บนี่นะก็คืออันเนี้ยที่เขาอธิบายที่หลังเนี่ยด้วยการลงโทษพวกเขาคือสำนวนนะฟาเชตติบิหิมันคลฟาหุให้ขับไล่ผู้ที่อยู่ข้างหลังที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาเนี่ยอันนี้คือแปลเป๊ะแต่ในสำนวนภาษาหรับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่า ไปลงโทษคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ไอ้คนที่ทํานี่ปล่อยมันนึกออกปะในสํานวนภาษาอังกฤษเนี่ยคือในเมื่อจะลงโทษนะลงโทษทั้งมันนะและก็คนที่อยู่เบื้องหลังมันด้วยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะสวยงามมากคือจะจะกระชับไม่ต้องพูดเยอะเฮ้ยจัดการมันและก็คนที่อยู่เบื้องหลังมั น, มนด้วยอันนี้ยาวสํานวนภาษาอังกฤษเนี่ยจะกระชับ ยังไงจัดการผู้อยู่เบื้องหลังหมายรวมว่ากาจัดการมันด้วยโดยปริยายอันนเป็นสำนวนแฟชริบิห์มันขอคือในเมื่อ จ, จัดการคนที่อยู่เบื้องหลังแนละ้วก็หมายนั่ก็ต้องจัดการคนนี้ไงพอเป็นไปนไม่ได้จะจัดการคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เขานี่ปล่อยอคนที่เป็นฆาตรกรปล่อยเขาแล้วคนที่ขาย ปืนมาให้นะจับมัเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทำไมทั้งหมดจัดการหมดเลยจัดการกระบวนการทั้งหมดเลยแล้วแหละผมจะเรื่องรูเขาจะได้สำนึกรอัลอัมฟัลเป็นซูรุอุรมาที่เมืองมัดินาไม่ใช่วากะ บอกแล้วจะเป็นข้อสังเกตนะว่าระหว่างสุรามาเนียกับสุราม ก, กี้เนี่ยจะมีข้อสังเกตชัดถ้าเป็นเรื่องความประพฤติปฏิบัติกับผู้อื่นตอนที่ท่านนไปอยู่ที่มักกะนี่นะให้อดทนให้ทำดีให้นห ด, ด, หดาว่าให้บอกเขาให้สอนเขาในตอนอยู่ที่มักกะ ไม่มีนะอยู่ที่มักกะใครมาบิดผิวใครจะมาอะไรมีจัดการให้มันรา่างไม่มีแต่ถ้าพอนบีมาที่มาดีน่าเนี่ยสัมมวลเนี่ยเปลี่ยนละทําไมเพราะอันนี้เราต้องเข้าใจต้องอธิบายนิดหนึ่งเพราะตอนที่ท่านนบีสัลลัลลอฮฺและซัลลัมอยู่ที่มาดีน่าเนี่ยเป็นสถานภาพของคนที่เผยแผ่อย่างเดียว ไม่มีหน้าที่ในการที่จะตัดสินในการที่จะลงโทษคนอื่นแทนนั้นท่าน น, นบีถูกอาธรรมเนี่ยยังไม่มีสถานะที่จะเป็นผู้พิพากษาที่จะเป็นแม่ทัพที่จะเป็นหัวหน้ารัฐที่จะจัดการคนที่กําลังใช่อันนี้อย่างอีกอย่างหนึ่งที่มา ก, ก่าเนี่ยยังเป็นจํานวนน้อย เรื่องความเสียหายที่มันเกิดขึ้นยังเป็นความเสียหายที่จํากัดมันเกิดขึ้นกับคนจำนวนน้อยซึ่งเรื่องนี้เราต้องคำนึงเวลาเกิดปัญหากับคนอื่นน่หลักศีลธรรมต่างๆนี่เวลาถูกทำลายเราต้องเราต้องมองด้วยว่าคนที่กาลังทำลายศีลธรรมเนี่ยความเสียหายที่เราจะตอบตู้เขาเนี่ย และการตอบโต้เนี่ยมันคุ้มกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นไหมไม่ใช่เป็นการดูถูกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่เป็นการประเมินฉะนั้นตอนท่านนาบีอยู่ที่มักกะเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามท่านนาบีไม่ให้ใช้ความรุนแรงในการโตตอบสิบสามปีนะตัวนบีและกษมานี่ก็ถูกตังแกนะ ก็ถูกใช้รุนแรงกับเขานะซาฮับาบางท่านก็ถึงชีวิตนะอย่างซูมัียะอ่าซูมาียะแล้วก็ยาซิรบิดาของอามารุนยาซิรที่ถูกฆ่าโดยอุมัยยะอิบนัชลฟสองคนนี้เป็นท่านแล้วก็ยาซิรกับซูมัียะเนี่ยสงคนสามีภรรยาเนี่ยพวกเขารับอิสลามแล้ว <c oughs> เราอิสลามแล้วอุมาเย็นนีก็เลยอมตรมานถึงที่สุดเนี่ยต้องอุมาเย็เนี่ยถึงฆ่าซุมาเยะเป็นหน้าของลลอฮฺเนี่ยเสด็จเป็นอวุลชาฮิดะตินในอิสลามเป็นชาฮิดคนแรกชคนแรกคนที่เสียชีวิตในหนทางอัลลอฮฺเนี่ยในอิสลาม ตั้งแต่มีอิสลามมานะเป็นผู้หญิงก็คือสุมายาอวะลูชฮีแต่ินอิสลามไม่มีใครตายกอนาะตายตอนไหนม่มช่มาดีน่าตายที่มักกันตายในในช่วงที่อัลลอฮ์สั่งสอนให้ท่านนบีละสัมบอาได้อดทนแล้วถูกฆ่าแล้วเียก็ไม่มีการตอบโต้อย่างรุนแรงแต่พอท่านนบีเนี่ยพยกไปอยู่ มาดีน่าแล้วเนี่ยเป็นรัฐแล้วเนี่ยเมืองใหญ่อะและนบีต้องสร้างความเชื่อเชื่อมั่นในรัฐในเมืองเพราะท่านนาบีเชิญชวนให้ชาวอาหรับเนี่ยได้อพยพมาละเิสลามกับท่านนาบีถ้าเมืองมาดีน่าเนี่ยจะเป็นเมืองที่ผูกดูถูก ไม่มีอำนาจไม่มีบารมีทาสัญญาอะไรกับใครก็ก็ บ, บิดผิวหักหลังผิดสัญญาง่ายๆและน บ, บีไม่ต้องทําอะไรเอาใครใครจะเชื่อรักแบบนี้ล่ะใครจะยอมอพยพไ ป, ปอยู่ที่ม ด, ดีน่าล่ะถ้าหากว่าเมืองม ด, ดีน่าเนี่ยไม่ปลอดภัยแบบนี้น บ, บีไม่สามารถที่จะคุ้มครองพรรพวกของเขาคนที่รับ อิสลามนี่คุ้มคงไม่ได้นี่มันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นเรื่องความเสียหายกว้างขวางและฉะนั้นจะใช้แบบอดทนปณนีปนอมมัน ก, มนก็มันก็ไม่ได้แลวนี่คือเหตุผลว่าพอมาถึงสูราห์มาดนียะเนี่ยเริ่มมีสำนวนที่จะให้ท่านนาบีใช้ความรุนแรงในการตอบโต เราจึงต้องเข้าใจบริบทและก็ขั้นตอนในการทำงานของท่านนับีแต่คนที่ไม่ได้อยากเข้าใจนะดูสิมุสลิมดูสิศนาอิสลามอะไรอะไรนี่ท้านเชิเดมาลงโทษมันเลยมาสรุปสรุปในอายะเดียวโดยโดยที่ไม่ได้เล่าเรื่องมาต้องเรื่องเรื่องบริบทนี้มันเป็นยังไงมาตั้งแต่แรก แล้วก็เหตุการณ์มันเป็นยังไงน่จะได้เข้าใจทั้งนี้ในการรักษาสัญญาซึ่งัละกันนีโดยเฉพาะระหว่างกลุ่มกับกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะการรักษาสัญญาที่มันจะ มีผลในการที่จะระงรับการทำสงครามและความบิดเิวสัญญาที่มันจะอาจเกิดอาจให้เกิดสงครามมีการเข็นค่าเนี่ยความความอุลหมานของสงครามความวุ่นวายของสงคราม ไม่เป็นข้ออ้างใดๆที่จะให้เราได้ละทิ้งศีลธรรมคุณธรรมในการรักษาในการรักษาสัญญาเออไม่ใช่ว่าอ๋อสถานการณ์ะมันมันแบบนี้แล้วอะนะ ถ้าถ้สัญญาเนี่ยมันก็คือเรื่องสงครามอ่ะไม่ใช่อัลล์ก็ยังกชับอีกทีหนึ่งมาวอิหมาฟนนมิลกมียานฟัมบิอลยมอลาวาออินนัลลอฮบนนถ้าหากเจ้าเกรงว่าจะมีการทุจริตเกรงว่าจะมีคนบิดเ้วรู้ ได้บบาแสได้ข่าวว่าเขาจะผิดสัญญาเออทำยังไงอะ่ะอย่างนั้นเราอย่าเอิ่งพูดนะเดี๋ยวเราก็จะผิดสัญญาบ้างแล้วก็ไปแอบหักหลังมันบุกมันเลยพอได้บบาแสแล้วไงได้บบาแสว่าเขาจะเขาจ ะ, าจะหักหลังอ่ะนะเอออย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหักหลังมันก่อนนะ ถ้าหากเจ้าเกรงกลัวว่าจะมีการทุจริตในเรื่องการทําสัญญาเลยจากพวกหนึ่งพวกใดก็จงโอนสัญญากลับคืนคือประกาศได้ข่าวมาว่าเขาเนี่ยจะหากหลังจะผิดสัญญานะประกาศเลยว่าสัญญาที่เรามีต่อกันน่ะนะฉันขอยกเลิกอย่าหากหลังอย่าแอผิดสัญญาอย่าผิดผิว อย่ทุจริตโดยไม่โดยไม่มีใครรู้รอวนี้มันถือว่าผิดศีลธรรมออนสัญญากลับคืนแก่พวกเขาไปโดยตั้งอยู่บนความเ ท, ท่าเ ท, ทียมอาลาสวาฟั่งด้วยเท่าเทียมอินนัลลอฮ์ลายุฮิบุลขออีนีนโดยเท่าเทียมกันแท้จริงอัลลอฮ์นั้น ไม่ส่งชอบบรรดาผู้ที่ทุจริตสงคามีการประทานนี่โอ้ใครจะทำอะไรก็ทำขอให้ได้เปรียบเพราะสถานการณ์คนที่ได้เปรียบยามทำสงครามถึงแม้ว่า จะเป็นคนทุจริตเป็นคนหักหลังเป็นคนบิดพลิวเป็นคนคดโกงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคนที่เป็นแบบเนี้ยก็จะรับชัยชนะใครสอนสามโกกใช่สามโกมสมโกสอนแบบนี้คนที่ชนะคือคนที่โกงเก่งคนที่โกหกเก่ง คนที่ทุจริตเก่งในสามก๊กเนี่ยเล่าปีคนที่มีศีลธรรมมากที่สุดเนี่ยปรากฏว่าเสียเปียน ม, มากเหมือนว่ากำลังถูกฉายว่าเล่าปีเนี่ยคนงูเพราะอะไรยุดิศีลธรรมมันจะใช้อะไรได้ในยามสงครามอ่ะ ศิลธรรมเนี่ยมันจะใช้อะไรทั้อะไรได้ยามสงคำามใช่แต่ศิลปะศิลธรรมของเล่าบีนี่มันก็ยืดหยุ่นนะนะเพราเขา ก, ก็ก็มีเหมือนกันนะมีฮักหลังก็มีนะกินเล้าก็มีอะไรนะไม่ไม่ขัดกับศิลธรรมสามก๊กเนี่ยเอาอะไรเอาอะไรเสมอเสมอเสมอเสมอไปไม่ได้ <laughs> มันแล้วแต่สถานการณ์ น, นี่หลกัการศาสนาไม่ใช่การศาสนานี่นนสสนนยสิรธรรมนี่มันเสมอต้นเสมอปลายมีความสมบเสมอในยามปกติเนี่ยรักษาคําพูดรักษาสัญญาเา้าแล้วก็เราทําสัญญากันแล้วแต่เขาเขาเนี่ยมีหลักฐานชี้เกณว่าเขาทุจริตแล้วเขาจะหักหลังแล้วเราจะไม่หักหลังเขาเราจะประกาศจะบอกเขาโดยตรง ว่าสัญญาที่เรามีด้วยกันนะนะอย่างนั้นเราขอโอนบอกเขาเลยอย่าไปแอบบุกเขาอย่าไปแอบจัดการเขาโดยที่ไม่แจ้งเขามีรายงานโดยท่านอิมหมะอัลฮ์มัจดานซ์ส์ลมุสนัดว่าอันซาลิมริซุไลม์อับน์อามร์ก สุไลม์น้เนี่ยก็เป็นคนที่ร่วมอยู่ในกองทัพของมุอาเวียอับดุลบิสุฟยานอุลฮะิสุฟยนตอนที่เป็นคอลีฟ้าแล้วนะแล้วก็ท่านก็มีการปะทะกับพวกโรมันบ่อยว่าการมุอาเดินทงอยู่น้นที่ของโรมัน وكان بينه وبينهم อเมรซึ่งมีสัญญาสันติภาพระหว่างมุ عوية กับชาวโรมันก็หมายถึงว่าเขาจะมาเดินทางบนแผ่นดินมุสลิมมุสลิมไปเดินทางบนแผ่นดินของโรมันน่ะนะจะไม่ไม่สู้รบกันเพราะมีสัญญาสันติภาพช่วงนั้นน่ะนะช่วงนั้นซึ่งช่วงนั้นน่ะมันใกล้ใกล้ที่จะหมดสัญญา فأراد أن يذنو منهم فإذا قمد إن قضى أمد غزاه وعوיקה د ا ن ท ه ا ن ในพื้นที่ของโรมันและจะพยายามที่จะเดินทางช้าๆเพื่อเวลาหมดสัญญานะเวลาหมดสัญญาพดีเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในชายแดนของมุสลิมพดี หมดสัญญาพอดีเลยนะเขาก็แบบบุกเลยโดยอ้างว่าสัญญามันหมดแล้วสัญญาสันหมดแล้วฉันบุกซึ่งสัญญาคือตะก่อนนู้นนะ่ะเขาก็รบกันสัญญายุติสงครามมานะสัญญาสันติภ า, าพชั่วคราวนอะ่ะแหมายถึงว่าเมื่อหมดแล้ววะนะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยากจะรบนี่ก็รบได้เพราะมันอยู่ระหว่างรบกันนะ่ะเหมือนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาสันติภาพถาวรเป็นสัญญาอะไรยุติสงครามตงแต่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นสัญญายุติสงครามแล้วเขาประคองกันประคองสัญญานี้เนี่ยให้ให้คงอยู่เท่านั้นไม่ได้เป็นสัญญาและตอนที่มีนักแสดงคนดังที่ที่แสดงว่าจะจะ แก้ไขปัญหานีนะให้ให้หยุดตลอดแล้วผมบอกว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นละครละครคนน้ำลายอ แ, แสดงรู้จักไหมนี่กำลงักลงกำลังกลังจ ะ, งจะมดวาราวะกัพีทัามอ ะ, อะโลกโลกคนดีใจกันหมดโอ้โหทัพเปสุดยอดมันทำได้ไงเกาหลีเกับเาหี่ตมิกระปูนทำได้ไงอ ะ, ำอะทำไม่สองฝ่ายนี่มน มาจับมือมาเช็แคแขนกันสุดยอดเลยอะ่ะบอกว่าน้ำลายถุยสงขาหงำลายไม่มีอะไรหรอกมัวเอาแย่ก็เลยวางแผนว่าเออเดินชา้ชาๆเดินเรื่อยๆก็คงแต่ก่ อ, อ, อนนุ่มคงไม่รั่งเครื่งบินกันนะแล้วเขาขี่ม้า ก, กันอะ่ะเดินทางจากเน่ยกว่าจะเดินเป็ น, เ ป, นเป็นอาทิตย์อ่ะ เป็นอาทิตย์เป็นเดือนใกล้ละอีกไม่กี่เดือนมันก็จะหมดกว่าจะเดินทางกว่าจะถึงชายแดนของมุสลิมมานะถึงจุดนั้นนะพอดีนะมันจะหมดสัญญาพอดีเราอยู่ใกล้ดินแดนของเขาสามารถเข้าบุกง่ายไม่ต้องยกทัพมาจากที่ไกลเราอยู่ติดชายแดนแล้วนะบุกเลยโดยสำนวนของสัญญานะไม่ผ โดยสำนวนนะไม่ผิดแต่อ فإذا ชีพขึ้น على ด้าบะญี่ปุ่นก็มีคนอายุมากชีพตรงเนี้ยทำไมจังวะคนอายุมากนะมีคนแก่คนหนึ่งอย่าพูดอยู่ในกองทัพของมุอาวิยคือดูแล้วเนะนี่ยดูแผนของว่าอ่านออกแล้วว่ามุวเวียจะทำอะไรมัวเวียเป็นคนชลาด คนคนนี่คนแก่คนนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยเดินทางแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ปกติเนี่ยก็เรียกว่าอัลลอักบารลลอฮฺอักบารัฟาอัลากระอัลลอฮัลลอฮอัรักษาด้วยอัลลอักบาร์เนี่ยอัลลอฮด้วยการรักษาสัญญามั่นลรระโดยไร้ทุจริโดยไม่หักหลัง <سؤال> إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شايكو ني قوى تهت إن النبي صلى الله عليه وآله ومن كان بينه وبين قومه دون و د ع خرائك تامكم منكم د ع ي ميسن يعقدكم ن فلا يحل ل ن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها ق ط ي بلت سنياًي จงอย่าปลดสัญญานี้หรือจะเปลี่ยนสัญญานี้ปลดสัญญาหรือจะเปลี่ยนสัญญานี้เปลี่ยนท่าทีจะมีท่าทีใหม่โดยที่ไม่ได้แจ้งอะนะห้า ม, ามทำอ่ะ حتّا ينقضي أمادوها تنقطع تِنْعَةِ سَنْعَانِ مَنْ مُتَسِنَبِقَأو ينبذ إليهم على سواء หรือมิใช่นั้นก็ต้องโอนสัญญา แบบช้าๆเซวาตรงนี و و ้ให้บอกแบบช้าๆแต่ในอายาเนี้ยเขาอธิบายว่าอะไรเซวาว่าเท่าเทียมกันคือเซวาเนี่ยปว่าอธิบายได้แปว่าเท่าเทียมกันแต่ตรงนี้เขาบอกว่าแบบช้าๆถูกตีความว่าช้าๆฝั่งละก็ได้กมาอวยะมาอวยะได้ยินคนที่มารายงานเรื่องนี้ฝรั่ง เราวก็ไปสืบหน่อยชายคนนี้เนี่ยเป็นไงว่าอีแต่ใช่คู่ผัวฮามรุบหน้าบสัชายคนนี้เนี่ยคนเก่งคนนี้คือฮามรุบหน้าะกลาเป็น صحابة ของท่านนบีสุลลัลละห์อัลลอฮ์สัลลัมคนหนึ่งคืออะไรโมอาวียานี่วางแผนที่จะมาอยู่ในติดชายแดนอ่ะนะคอมมดสัญญายุติสงค์คำปั๊บไม่ต้องยกทัพมามาจากไหนแล้วนะ อ่ะกองทัานี่พร้อมแล้ว่อยู่ติดใช้แดอยู่บุกเลยถามรบนามาสมควไม่ได้ถ้าจะมีเปลี่ยนนะฟังบิ้ให้ออนสัญญาอลาสว่าแบบช้าช้าช้าๆ้าๆนี่หมายถึงว่าให้เขาเตรียมตัวด้วยค่อยค่อยประกาศเจตนาให้เขารู้ว่าเรามีแผน อ, อะไรอ่ะ นี่เขากำลังสอนวันในยามสงครามนี่มุสลิมเนี่ยอย่าก็ได้ก อ, อะไรอย่าอย่าช่วยเวลาและโอกาสด้หรือใช่ช่วยความช้าใจของเขาว่าอ๋อยังอยู่ระหว่างนั้นคงเขาไม่ทันหรอก เขาบอกจะกลับไปแล้วก็ยกทัพกันมานั่นน่ะอีกนานนุ่นน่ะถ้าหมาวย่าเนี่ยเขาวางแผนว่าไม่นานแล้วจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยพอหมดวาระแล้วเนี่ยบุกเลยไอ้แบบนี้เนี่ยเขาไม่ทันตั้งตัวเขาบอาไม่ได้ต้องโอนสัญญาอะไรเสวะแบบว่าแบบช้าๆให้เขารู้ตัวเขาจึงอธิบายบอกว่ า, วาฟัมบิดที่อามรบยาบาสะเอาคำเนี้ยจากอกุรอาน أو ينبذ إليهم ا م ي و ينبذ ل ي ه م على سواء، م ن و ك سمنون ديو في آ ي ه في آ ي هنيه، في الله فنبذ فنبذ إليهم على سواء نيخ القرآن لقكهم عمر بحس أو ينبذ إليهم على سواء نيخ ا ق ر آ ن แต่นี้ก็ตีความว่าหมายถึงว่าให้โอนสัญญาค่อยๆโอนไปให้เขาตั้งตัวได้ให้เขามีโอกาสอย่าไปช่วยความชลาใจของเขาขนาดนั้นเลยอะถ้าสามกบนี่ฟังมาตรการแบบนี้เนี่ยไม่เหลือเลยนะไม่เหลือแม้แต่กบเดียวนะ่ะฮะเพราะทั้งสามก๊บนี่นะ หักหลังกันหักหลังกันหมดเลยมีมิฉวยมาไหลนี่ได้อะไรได้โอกาสเมาาื่อไหร่นี่เอาหมดนีน่สงครามเนี่ยคือเอาเป็นเอาตายนะแต่อัลลอฮฺสอนแบบนี้นไม่ได้จะหักหลังเขานี่โดยที่เขาไม่รู้ไม่ได้ต้องประกาศแล้วต้องประกาศให้เขาเนี่ยตั้งตัวได้นะอันนี้มีความเองหรือเปล่าใหม่ มันไม่ใช่ครั้งเดียวนะมันเป็นที่รู้กันในหมู่สหภาพว่าท่านได้สอนแบบนี้และเขาทำกันแบบนี้เส้นอิกรยงานหนึ่งว่าก็ลัลอิมามอัลฮัดฮะดิษทีบานไปล้นีร่งงานบันทึกโดยอัดแลดูดอยลีซีมชอบมชอดูดอัสซดสานอีกคนอันชบะและอดูดนอดูดคนอัสซดสาน أبو تير، ج و ج و ب و ب و تير، ب و داود،ني ب و ا و ي، แรก ب و داود ط ي ا ل س ي ن ي أ ب و د ا و د ن ن ن ي خيرك م س ن د ما خ س ن ن ن ع ل م جدنا ل ح د ي ث ن ف و ت فوتنا،والترمذي و ا ل ن س ي وأبن حبان في صحيحه من طرقه،وقال إما ك ر ه ا ن نجدان إمام أحمد. عن أبي البختري عن سلمان عن الفر سلمان الفارسي أني خ ب ي تي خ ب ي بيت ب س ي ن ه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة خ ي ممن مي م فقال لأصحابه سلمان دعوني ما أ ن د ع و ه م كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بي ه ي شئ ن ي درجاء بي د كويه كه شيخ س ن ت سان كهيتان نبيه ت فقال إنما كنت رجلا منهم فهداني الله ل ل إ س ل ا م فإذا أسلمتم. سلمان เนี่ยเขอกว่า، ن ا เนีย، ك ي مثل พวกเจ้า ن ไปพูดกับคน ب ح เ س ี ا ด้วยกัน كهيت مثل พวกเจ้า ن ี่แหละ تابو، و، ل َ أ ن ا ن ي ر ا ب إ س ل ا م ف إ ذ ا أ س ل م ت م ت ب و ك ت ع ْ د ر ب ا إ س ل ا م ف ل ك م م ا ل ن ا و ع ل ي ك م م ا ع ل ي ن ا ت ب و ك ت ع ْ ر د ل ر ب ِّ إ س ل ا م ٍ ل َ و َ ن ِ ب ي ت م ت د ِ ي َ م ِ ن وَهُنَّ أَبَيْتُمْ ت د ا ع َ و َ م ِ ئ َ ة م ِ ئ ي ة ٌ جَرَبْ إ ِ س ْ ل ي ا م ٍ دَاعِي فَأَدْدُ ا ل ْ ج ز ي ة َ و َ ن ْ ت م ْ ص ا ر ِ ي ُ و ن َ ت ฟังนะประเจ้าพระเจ้า ยังนิ im im op, ani, tang, tang uh ่งนอนใจในไหมอาลัยเซวะมาจังหวะค่อยๆทาก็ได้เราให้พวกท่านไปตั้งตั้งตัวได้อินนัลลอฮะเลี้ยยุฮิบุลขอยนีลอัลลอฮ์ม่ชอบคนที่ทุจริบจฟ ف า ل ุบิห์มดะลิกะทล่ตะอยามแล้วก็เราวินเวลาให้เขาสามวัเนี่ยอาลัยเซวะแปว่าค่อยๆค่อยๆประกาศให้เขาตั้งตัวด้วยนะ ไม่ต้องไปช่วยโอกาสไปบุกเขานะฟะแล้วเมื่อแค่นั้นเยาว์มุ่ง ร, รับไปอดันนะ่าสูสาาภาภาาา้เลยนะแล้วก็ไม่ยอมมานะวันที่สี่เนี่ก็เลยประทะแล้วก็ให้เขาพิชิตเมืองนั้นได้พิชิตโดยที่ไม่ได้มาแต่คุบเขาช่วงดึกช่วงกลางคืนเขาไม่รับรู้ไม่ทันตั้งตัวไม่ได้อะไรอันนี้สหบะไม่ได้ทำอันนี้ในกรณีที่ ฝ่ายศัตรูเนี่ยไม่ประกาศว่าจะยกเลิกสัญญาสัญญาสันติภาพหรือสัญญายุติสงคราวถ้าเขาไม่ประกาศซ่อนเร้นไว้เจตนาที่จะบิดพริว้วที่จะทุจริตที่จะฉวยโอกาสหักหลังเสียถ้าเป็นแบบนี้นะ ถ้าเรารับรู้นะเราก็ห้ามทําเหมือนเขานะห้ามทําเหมือนเขาเอาแล้วทํายังไงประกาศเขาบอกว่าเรารู้มาแล้วเนี่ยพวกคุณหนังแทน ง, งั้นยกเลิกสัญญาแล้วก็ถ้าถ้าไม่ชอบอะไรยกเลิกเลยแล้วก็ตั้งตัวให้ดีเพราะเราจะเพราะเราจะบุกไม่ใช่ว่าอ๋ออะไรเขาเด็กใช้แผนสอนสอนแผน ทำท่าโงโงทำท้าไม่รู้ไม่ชี้นะเออดูเราก็เขาจะหักหลังเราเดี๋ยวเราหักหลังมันก่อนไม่มีในแต่ในอิสลานี่ไม่มีมีในกรณีที่เขาที่เขาไม่ประกาศอ่าแล้วถ้าเขาประกาศล่ะถ้าเขาประกาศว่าไอ้สัญญาที่เรามีเ้วยกันเนี่นะยกเลิกอะไแบบนี้เนี่ยนะก็ไม่ต้องไม่ต้องแจ้งเขาละเขาเขาประกาศแล้ว่นะก็เท่ากับรู้กันแล้วว่า ว่าสัญญาที่เรามีกันต่อกันนี่นะมันไม่มีผลแล้วก็เมื่อไราจะบุกขบุกไม่ต้องไปแจ้งเขาเพราะเขาประกาศแล้วเมื่อประกาศแล้วเขาก็ต้องรู้แหละประกาศแล้วเขาต้องรู้ว่าเราจะรับรู้ซึ่งเขาก็ต้องตั้งตัวอยู่ตั้งตัวทันอยู่ดีทําไมอ่ะเพราะเพราะว่าที่ท่านนาบีสโลโลแสดยกทัพไปพิชิตมักกะเนี่ยนบีไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งทําไมอ่ะก็เพราะชาวกุเรกีเขาประกาศ เขาประกาศยกเลิกสัญญาของสุลต่านรดเบียยกเลิกด้ทําอะไรอ่ะเพราะในสัญญาสุลต่านรดเบียเนี่ยนบีบอกว่าสิปีตั้งแต่ปีที่หกตั้งแต่ปีที่หกมันน่าจะหมดปีที่สิบหกนะปีที่หเนี่ยแค่สองปีแค่สองปีนะพวกกุเรชเนี่ยยกทัพ ในสัญญายุติสงครามระหว่างท่านนาบีกับกุเรชนี้ว่าใครที่เข้ามาอยู่ในฝ่ายของท่านนาบีห้ามไปทําลายเขาเหมือนก็เหมือนเป็นตัวท่านนาบีเองและใครที่ไปอยู่ในฝ่ายของกุเรชเนี่ย น, ะนบีก็ห้ามไปบุกรุกเขานะถือว่าเป็นพวกกุเรชเหมือนกันอันนี้อยู่ในสัญญาในเงื่อขไขของสัญญาแต่พวกก็ด้วยมีเผ่าหนึ่งที่คูซาพวกกุเรชยกทัพ ไปบุกชาวคุซาแล้วก็ไปฆ่าเขาฆ่าเขายึดทรัพเขาแล้วก็คูซาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเขาไม่ใช่มุสลิมนะคูซาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะคูซาเนี่ยเขาไม่ได้รับอิสลามแต่เขาเลือกที่จะอยู่ฝ่ายนั่นเองชาวคุเรชเนี่ยไม่สนใจสัญญาโซ่คต่ว่ายกทัพไปจัดการแต่ก่อนรู้นะว่อาหรับเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้เนี่ย ออโอ้โฝูงแพะพวกนี้นี่โอ้โหเยอะจังวะยกทัพไปเขาเลยเนี่ยสภาพชีวิตอาบในข้าวเราแบบนี้ท่านนบทีที่ได้มาตั้งรัฐอิสลามแล้วก็มาดำรงซึ่งความวจะได้ยกเลิกความป่าเถื่อนที่เขาเคยใช้ชีวิตกันแบบนี้นบีก็เลยยกทัพไปพิชิตมักกะไปรบกับชาวกเรชโดยที่ไม่ได้แจ้งเขา เพราะเขาได้ประกาศเหมือนเขาได้ประกาศชัดเจนว่าสัญญาที่เรามีต่อกันเนี่ยเราไ ม, ไม่ไม่รักษาไม่รักษาแล้วเพราะฉะนั้นชาวกรีเนี่ยก็ไม่ได้ไม่หลีช้ร่าใจอะไรเลยเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าที่เขาทำเนี่ยแสดงว่านาบีไม่ไม่ปล่อยแน่นอนแต่ตอนนั้นนะ่ะเขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขานึกว่านบีเนี่ยไม่สามารถที่จะ ตอบโต้เขาได้แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาบิดพิ้วสัญญาแล้วก็บุกเผาคุซา์เนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยท่านนาบีก็สามารถรวบรวมทัพหนึ่งมื่นคนซึ่งหนึ่งมคนเนี่ยในช่วงนั้นนะถอะถือว่าเป็นเป็นจำนวนมากทีเดียวแค่รู้ว่าท่านนาบีมีกองทัพมื่นคนนะนะเขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรแล้ว ผู้นำกูรชเนี่ยอบูสุฟยานเนี่ยแอบไปหาท่านนาบีผู้นำต่างๆนี่ก็แอบไปหาท่านนาบีขอความขอให้ความปลอดภัยคนแรกที่ไปพบนี่ก็คืออิลลามบสุลูมของท่านนาบีซึ่งตอนนั้นน่ยก็เป็นมุสลิมแล้วแต่ก็อยู่ที่มักกะแล้วก็มาบอกกับท่านนาบีบอกว่าอบูซุฟยานนี่คือตอนนั้นก็เป็นผู้นำกลุ่กูรเชเลยนะ ก็อาบูสุฟยานเป็นผู้นําแต่เขาเป็นคนมีศักดิ์ศรีท่านนาบีประกาศอะไรสักอย่างนึงสิแล้วก็คนคนเนี้ยเขาก็จะยอมจํำนนท่านนาบีก็เลยประกาศมันดะคารดาราอิบุฟยาณฟาฮูอัมินใครที่ทิ้งอาวุธคือประกาศไม่สู้นะแล้วก็เขา้าบ้านอบูสุฟยานเราจะไม่ตต้องเขา อบูสุบยานเนี่ยก็เลยทิ้งอาวุธเข้าบ้านแลน้วก็เชิญนชวนไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้มา อ, อยู่บ้านกูนะปลอดภัยเลยอันน บ, บีก็ไป่ไในพิชิตมาง ก, กไไ็ไม่ได้ไม่ได้มีการประทะรุนแรงมากนะเสียชีวิตไม่กี่คนนะนฝ่ายของของกูเรชก็โดยโดยการที่กูเรชเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาบิดพิวท่านน บ, บี รลยการนี้ท่านนาบีประกาศยกทัพห น, นึ่งมนคนสู้ไม่เอามาจากไหนห น, นึ่งหมื่นคนแจ๋วแจ๋วของเขาแจ๋วแจวของเขาก็คนเนี่ยยกทัพมาบอกว่าจะมาแก้แค้นของสงครามบันบัตรเนี่ยเขายกเขายกมาพันหนึ่งอนะะสงครามอ้โหคนมีแจ๋วที่สุดเนี่ยเขายกมาสามพันและหลังจากนั้นน่ะไม่เคยเกินมากกว่านั้นสงครามอันขันแล้วก็สามพันก็ไม่เคยแต่นี่นบีทีเดียวยกมาหนึ่งหมื่น มีแค่สองปียุติสงครามนะนบีสามารถดาวาแล้วก็ทำให้เผ่าอารามทั้งหลายเนี่ยได้รับอิสลามแล้วก็สามารถรวบรวมกองทัพได้หมื่นคนไม่ไม่ไม่ไมสู้ไม่ยอมประกาศว่าก็ไม่สู้ท่านนบีก็แสดงว่า แม้กระทั่งยามสงครามสงครามที่แบบว่ามันเป็นสภาพเข็นฆ่านะ่ะมันมันคือเอาเป็นเอาตายอ่ะแตงชีวิตนะอ่านเอาฮะฮดีทมเท่าน บ, บีซัลลาฮิลลอซัลลัลลอินนมัลฮารบุขุดาแต่จริงเรื่องสงครามแล้วก็เรื่องวางแผนที่สามารถหลอกลวงได้ใช่คือในเมื่อสงครามแล้วเกิดแล้ว หมายถึงว่าสงครามแล้ว น, นี่มีมีมีมีมเตรียมเตรียมที่จะรบ ก, กันแล้วอะนะไแบบนี้จะจ ะ, จะหลอกลวงจะอะไรก็ได้แต่ยามที่ยังไม่ได้มีสงครามอะยังอยู่ระหว่างการยุติสงครามหรือมีสัญญายุติสงครามสัญญาสันธิภาพไอ้แบบนี้ต้องรักษาสัญญาห้ามทุจริตห้ามปิดผิวห้ามหักหลังก็คือรักษาศีลธรรมในการรักษาสัญญา สงครามก็เป็นสถานการณ์วิกฤตมีความจำเป็นหลายอย่างแต่ในเมื่อเขายังไม่ได้ประกาศแล้วนี่นะเราก็จะบิดพิวเขาไม่ได้เราจะหักหลังเขาไม่ได้จนกว่าจะต้องประกาศให้ชัดเจนเราจะไม่ใช้พฤติกรรมอัมพางไม่ถึงากับกอบแม้กระทั่ง กับสัตรูนะก็จะไม่กับขออมีอะไรที่เรารับปากกับเขาไว้แล้วเราต้องรักษาไว้ถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องบอกว่าเราจะเปลี่ยนไม่เอาแล้วไอ้ที่เราตกลงเราจะขอยกเลิกต้องบอกให้ชัดเจนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านที่มักสุภาหน้าัวจะกล่าวได้คำชับกับท่านนบี ص ل ล الله عليه وسلم ในยามสงครามซึ่งเป็นการสอนมารยาทสอนมารยาทในยามวิกฤตมันก็จะเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยซึมมาจะสุขสบายหรือจะลำบาก ม, มันต้องมันต้องมีศีลธรรมอยู่ดีเราอย่ามาอ้างสถานการณ์วิกฤตหรือความลำบาก ในการที่จะละเว้นหรือหลวมตัวเรื่องศิลธรโดยเด็ดขาดอันนั้นไม่ใช่เหตุผลขอบุษตานะครับอบพะฝักเพียงแค่นี้นะครับัลลฮอลบีฮอลสซาหบีัลลุะมุ